้ใครที่อ่านเทรีคาถานะียขอมาแนะนําให้ไปอ่านเทรีคาถาเรื่องสุดท้ายเลยเรื่องสุดท้ายเลยนะคุณทพาอ่านยังเรื่องสุดท้ายเลยว่าชื่อว่าสุเมธาเทรีเนี่ยนะคือถ้าคิดแบบพระนางสุเมธาเทรีเนี่ยเจ๋อมากเขาก่อนหน้านี้นางเป็นลูกเป็นลูกกษัตริย์ ท, ที่ที่เกือบจะเข้างานแต่งงานอยู่แล้ว แต่ว่าเป็นคนที่ได้ปฐมมาชานจากอสุภสัญญาตอนหลังก็ออกบวชเป็นคนที่มีปัญญามากชื่อว่าสุเมทากก็คือผู้มีปัญญามากนั่นเองก็นางก็พูดถึงโทษภัยของรูปมากจริงๆเพราะว่าคือโอกาสที่ที่เรียกว่าอะไรนะโอกาสที่ไปเกี่ยวข้องไปเพลิดเพลินในวัตถุกรรมกลับมาศึกษาพระธรรมเนี่ยมันเวลาเดียวกันเนี่ย เราควรจะเลือกเอาอะไรเนี่ยนะฮันผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็เลยมองมองการไกลใช่ไหมอย่างพูดแบบโลกโลกแล้วนะตอนที่เอยกตัวผู้การทำงานเนี่ยถามว่าสุขหรือทุกตอนทำจริงจริงเนะี่ยไม่สุขใช่ไหมก็คือโดยรวมๆก็คือทุกแต่ทำไมต้องทำอะ่ะเพราะเห็นว่าถ้าผ่านตรงนี้แล้วที่มาคือ สุขก็เลยเหมือนกับว่าเห็นว่าทางนี้จริงอยู่มันขรุขระแต่ถ้าผ่านเส้นนี้ไปแล้วมันกอะจะจะถึงความสุขแต่ถ้าไปอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะสบายแต่ข้างหน้าทุกนั่นแหละมัน ก, ก็ต้องมาเลือกเอาว่าตอนเราจะเลือกเอาอันไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องมาแยกว่าชีวิตทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยนะอะไร ม, มีสาระที่สุด ที่ที่เราจะต้องสแสวงหานี้การเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยที่แน่ๆชัดเจนเลยคือขวางต่อตันหาแน่นอนแต่ถ้าตันหายังคงเหมือนเดิมแล้วเจริญวิปั ส, สนาได้อันนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า นังแกดูนะหลายๆครั้งเนี่ยพยายามกลั่นสมูทายศาสตร์ไว้บ่อยๆแลยนะฟังออกหรือเปล่านน่เพราะสมูทายศาสตร์ก็คืออะไรคือความเพลิดเพลินในในรูปเนี่ยนะความเพลิดเพลินในรูปซึ่งพระองค์ได้ตรัสธรรมุเทศ4ี่ประการอะนะมาจากคำว่าธรรมะบวกอุเทศ ธ, ธรรมุเทศ4ี่ประการคือ 1. โลกอัญชารานําไปไม่ยั่งยืน โลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนไงคือหมายความว่าดังที่ง่ายๆนะสิบปีแล้วมาดูใหม่ที่อะไรจะเกิดขึ้นนะก็เขาสังเกตจากดอกไม้ที่เขาเอามาถวายนะอย่างไร้ดอกก็สวยดีมากเลยนะเช่นดอกอะไรนะมาหาหงษ์อย่างเงี้ยหงเหินมหาหงษ์อะนะพวกเนี้ยถามว่าโอ้สวยๆนั่นนะ่ะนะเจ็ดวันผ่านไปอะไรจะเกิดขึ้น ดอกเดียวกันนั่นแหละไม่แห้งอะดิมันมันเน่าเลยอะถ้าแห้งไปเลยนะถ้าถ้าที่หน้ า, ห น, าหน้าหน้าหนาวลมมันโกรกมากๆมันจะมันจะเหี่ยวแล้วก็จะแห้งไปในที่สุดถ้าเป็นหน้าฝนชื้นมากๆเน่าเนี่ยนะก็อของที่เคยงามนั่นแหละเอาข้าวสวยของเราเอะนะข้าวสวยเต็มจานไปหมดเลยฝนตกแฉะในที่สุดก็เป็น ข้าวบูดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหน้ามันจะค่อยๆกลายเป็นข้าวแห้งแต่จะหน้าไหนก็ตามในที่สุดเสียหายโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนอีกสิบปีมาดูผู้การใหม่นะมันก่อนเขาแซวนะพวกเขาแซวก็บอกว่าถ่ายวิดีโอผู้การเอาไว้สมัยเขาไปเที่ยวต่างประเทศบางแห่ง น, นะก็ไปแอกของกางเงนเสร็จแล้วลมาดูใหม่นะ กับดูรูปเสร็จแล้วมาดูตอนนี้ก็โอ้โหได้ฝังเวกับวัตถุเลยนะ <c oughs> เนยพอามาวันก่อนก็เออเขารื้อบ้านเก่ายมพ่อนะแล้วเขาก็มีรูปเล็กๆตอนถ่ายบวชเน้นเล็กๆ ก, กันนะเอามาดูกับตอนนี้คนละคนกันเลย <c oughs> นางว่าแก่มากแล้วตอนนี้นะยมย ม, ยมนองกันแหละเรียก <c oughs> ตอนนี้เป็นลุงพ่อไปแล้วครับนังว่าแก่มากแล้วทีนี้ต่อไปเรียกว่าโลกอะไรโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเนี่ยโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน เ, น, เตนี่ยนะ ก็สมมุติว่าตาของเรานีตอนที่มันมีมันดีๆอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันตอนมันก็เลยลืมตาเหมือนกับมองเห็นดีใช่ไหมถามว่าตอนที่ตามันแดงมันแสบมันอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอํานาจในตาเลยนะสมมุติว่าถ้าตอนที่ตามันเสียหายเนี่ยแม้แต่ลืมตาจะลืมตาไม่ขึ้นหูก็เหมือนกันว่าฟังแล้วมันดีๆธรรมดาตอนหูมันเสียนะได้ยินเสียงนี่ก็เสียว่าเนี่ยฟันเนี่ยโอ้โหเคี้ยวอะไรก็อร่อยอร่อยไปหมดเลย ตอนที่มันมีปัญหานะเป็นยังไงก็หมอวันนี้กี่ไลาย <c oughs> ได้นะตอนนี้หมอไม่สบาย <c oughs> อ๋อไดนไะอ๋อวันนี้มาฟังทมคือโรคอัญชราอ่าคำว่าไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนะอย่างคนที่เคยแข็งแรงนะในที่สุดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหม ก็จะลุกจะเดินจะเหินเป็นต้นก็ไม่ไหวมันไม่มีอำนาจจริงๆเลยจะจะยืนจะเดินสุขภาพมันก็มันก็ไม่ค่อยยอมมนะเรียกว่ามันไม่เป็นใหญ่ก็แปลว่าป่วยแนะ่ก็คืออันนี้แก่ข้อที่สองก็ป่วยสามจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอันนี้หมายถึงอะไรตายก็ต้องจากทุกอย่างะนะเนี่จากทุกอย่างไม่ที่ไม่จากคุณวุฒมีเคยทบทวนว่าจะต้องจากอะไรไปบ้างสูญเสียอะไรไปบ้างถ้าสมมติถ้าคืนนี้หลับไม่ตื่นอีกเลยนะเราต้องจากอะไรไปบ้างก็จากความหนุ่มใช่ไหมก็จากตั้งหลายอย่างแล้วกันน่ะ อ๋อใช่ก็ดีกว่าเราตายจากเาองแต่ว่าในที่สุดเราจะต้องตายจากเองเนี่ยนะว่าเราต้องจากอะไรบ้างว่าโดย ร, มรวมๆนี้คือกล่าวทุกขสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็วนๆอยู่ในในทุกกล่านี้นะใครเกิดมาเมื่อไรที่ใดแค่ไหนยังไงก็ต้องอย่างเงี้ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ป่วยป่วยแล้วก็ตาย อันนี้คือกติกาของโลกว่าใครก็ตามที่เกิดมาต้องเป็นเป็นอย่างนี้ทั้งหมดจะชาติชั้นวันณะใดก็ตามเกิดประเทศใดก็ตามวิทยาศาสตร์เจริญหรือเสื่อมขนาดไหนก็ตามกติกาอันนี้คงตัวเส้นอาตสมัยใหม่วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นก็คืออาจจะแก่นานขึ้นอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ใช้ความแก่ได้ยืดขึ้นเท่านั้นเองอนะนะคือหมายว่าแทนที่จะ นอนกระแสลป่วยอยู่บ้านก็มีรถเข็นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีรถเข็นมีอะไรช่วยได้พอสมควรแต่ว่าตายนี่ก็ปกติจนเขาบอกว่าอายุต่อไปเนี่ยนะควรจัดการยังไงกับศพที่ตายไปแล้วนก็มีการสนทนากันหลากหลายมากควรจะจัดการยังไงกับศพในยุคต่อไปอาจารย์เคยพูดกว่าคนคนที่แก่เนี่ยพอมันตายอ พอมันแก่ก็ต้องตา ย, ถ, ายถ้ามันไม่แก่ก็ไม่ต้องตายสี่พร่องอยู่เป็นนิดนะพร่องอยู่เป็นนิดจริงๆเลยนะก็มันพร่องอยู่ตลอดเลยทวารบางที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มเยนะถ้าไม่เจริญวิปัสสนาในแต่ละทวารต่างๆนะทุกทวารมันพร่องหมดเลย อย่างการเห็นการได้ยินการอะไรเนี่ยพร่องไปหมดะนะถ้าไม่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะถ้าทำปริญญามากๆขึ้นจึงจะเข้าใจคำว่าคำว่าอิ่มเนี่ยนะหรือคำว่าพอเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าไม่ทำปริญญาณนะโดยมากพร่องหมดเลยโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาทาตแห่งตันหาเป็นาทตน า, นาทตแห่งรู ป, ปตันหาสัตธ า, าตันหาคันธตันหาราสาตันหาโพธภาตันหาแล ธรรมะตันหาเป็นธาตุแห่งเรียกว่าตันหาที่เกิดทางจากขุทวานมั่งตันหาทางโสตทวานมั่งนั้นตันหาก็ร้อยรัดไปตลอดอันนี้แหละเป็นพร่องอยู่เป็นนนตเนี่ยเป็นอะไรสัจจะสมุทัยสัจจะอันนี้คืออุดธรรมุเทศ ธ, ธรรมะที่เป็นหัวข้อหลักๆในพระศาสนานี้ว่านี่จําเป็นจะต้องประพฤติอริยมรรคก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยนะทำไมที่ ท, ที่เหตุผลที่ อย่างในรัฐภาละสูตรเนี่ยบอกว่าทำไมพระรัฐบาลจึงบวชก็เหตุผลเหล่านี้จำเป็นต้องมาประพฤติพรหมจรรย์ น, นีนะ่จริงถ้าใครตรึกธรรมะธรรมุเทศ4ี่ประการก็คือตรึกทุทธุคส์กับสมุทัยสัสนั่นเองเ เกิดมารับใช้ตันหามีตาก็จะได้ดูให้มากๆมีหูก็จะได้ไปฟังมีจมูกก็จะได้ไปรู้กลิ่นมีลิ้นก็จะได้ไปเที่ยวบริโภคมาหาพูดเ่นะไปหาลิ้มหาเลียมาหาพูดสรพัดน่นะแล้วก็มีกายก็จะได้ไปสัมผัสเนี่ยนะมีใจก็จะได้ไปรับรู้เรื่องราวสรพัดเนี่ยนะก็เพื่อสนองอะไรสนองตันหาทีนี้มัน เที่ยวแสวงหาสีเสียงเป็นต้นยังไม่ทันอิ่มเลยวัตถุเหล่านี้มันพร่องไม่เป็นไรสร้างใหม่สร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาใหม่เพื่อมาสเสวยต่อนะดูไปดูมาเพลินทางตามากตามันบอดไปข้างหนึ่งก็ยังดูต่อไปอีกรูปปัญหามันไม่ยอมจริงๆเลยนะแตนหาทางตาได้มันชอบดูลองวันหนึ่งให้หลับตาทั้งวันดูนี่อะไรจะเกิดขึ้น ถือศีลข้อหลับตากับอุดหูนะนะ้ไม่ให้ตาเห็นไม่ให้หูได้ยินเลยเนะยมันจะมันจะโหยขนาดไหนนะคุณนงศพศพศพคนไข้ที่เป็นเอดก็ยังมีคนไปหาความสุขจากศพนั้นอีกเขาบอกว่าสวยอะรูปร่างสวย ทวานี่ยังออกรายการนะไปนอกไปนอกโลก7จ็วันเก้าพันล้านบาทเขามีบริษัทในประเทศไทยแล้วนะคะใครจะไปก็ได้เก้าพันล้านนะหลุดโลก7วันน่ะนะไม่ใช่โลกรุตระนะก็พวกมหาเศรษฐีทั้งหลายเขาชอบกัน แค่นั้นแหละให้ให้มันได้ออกไปบ้างอายุกันเลยก็ก็ปานนั้นแหะนะเพราะว่าก็กลับมาอีกทีก็อยู่ได้ไม่นานก็จะต้องเรียกว่าอะไรนะอุตส่าห์ไปแสวงหาทรัพย์ทุกอย่างก็เพื่อที่จะเอามาใช้กิจกรรมอะไรที่มันแพงที่สุดมากที่สุดนะนะเขาบอกว่าสุขของครือข่าอย่างหนึ่งก็คือสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์นะเมื่อมีทรัพย์ก็ได้ใช้ทรัพย์ดังที่ตัวเองต้องการก็สุขจริงๆเลยนะ จัดงานเลี้ยงวันเกิดวันเดียวจัดงานเลี้ยงวันเดียวทำงานเก็บตัมค์ตั้งสิงปีใช่ <Okay. S 2> mm hmm. ก็นั่นไม่มากบอกในชาดกหรือว่าในธรรมบทนี่กล่าวว่าทำงานสามปีเพื่อจะกินอาหารจานเดียวเ mm hmm. นี่ยนะเพื่อเพื่อจะกินอาหารจานเดียวในในชาดกก็มีทำงานเหน็บเหนื่อยมากบางคนเนี่ยทำงานอยู่สามปีเพื่อจะได้เอาผ้า ซื้อผ้าชุดเดียวเนี่ยนะสามปีเนี่ยนะก็บางคนก็ทำงานเพื่อจะได้ไปเที่ยวครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยนะก็ทุ่มโอ้โหลงทุนทั้งชีวิตเลยก็ตันหาในเรื่องนั้นนั้นมันแรงมากสำหรับเขาเนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยนะทำเพื่ออะไรนะชีวิตนี่เลยโซว่าจบนี่เราจะขอจบแบบไหน ภา พ, พยนตร์เรื่องนี้ละครฉากเนี่ยละครเรื่องนี้จะให้จบแบบไหนดีสามวินิจจะให้มันจบแบบไหนเ ด, เดี๋ยวก็สบายแล้วไหนนะแบบยังไงยิ้มเลยนะ <c oughs> ดูนะจะเป็นยังไงเนอะ <c oughs> พวกมาขึ้นสมุทัยศัสตร์ที่กล่าวว่าตันหาคือความเพลิดเพลินนะตันหาคือความเพลิดเพลินนะนะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในหน้า12บเนี่ยนะดูความพิสูจทั้งหลายก็ทุกข์ดสมุทัยอริยศาสตร์เป็นไฉไหนตันหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยนันที่ราคะ เลิกเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นคือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ไหนที่ใดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นก็ตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีกเนี่ย ตันหาโปโนพวิกาหรือตันหานี้ใดที่นําเกิดในภพใหม่อันมีความเกิดอีกก็คือตันหาที่ตัวนําเกิดในภพใหม่ประกอบด้วยนันทิราคะนันทิก็คือความเพลิดเพลินราคะคือความกําหนัดเพลิดเพลินยิ่งนักก็คือหูติดข้องจริงๆเลยนะในอารมณ์นั้นทั้งกา마ตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหา ได้ที่นอนดีๆเลยมันนอนอ่นะลักษณะของตันหาเนี่ยนะตรงนี้ยกตัวอย่างว่านำเกิดพบใหม่ น, นะตัวของเขาอ่ะนะธรรมชาติของเขาคือนำเพื่ อ, อ, อนาไปสู่พบใหม่ซึ่งหลายๆแห่งเขาแปลว่าสินหาใช่ไหม ก็ไทยไทยก็แปลงมาเหลือเป็นสเสนหาแปลว่ายางยางก็บอกว่ามเมล็ดพืชเนี่ยนะทำไมมันจึงปลูกขึ้นก็ตั้งคำถามแบบนี้น ะ, มะเมล็ดมะขา ม, มเมล็ดขนานมเมล็ดทุเรียนทั้งหลายทำไมจึงปลูกขึ้นก็เพราะว่ายางที่อยู่ข้างในมเมล็ดนั่นแหละเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุให้เพาะขึ้นฉันใดตันหาที่เกิดในสัตว์ทั้งหลายก็เพื่อเ พ, อเพาะต่อไปใน วัตะเนี่ยนะก็อย่างยางของเมล็ดพันธุ์พืชยังอาศัยอยู่ในต้นไม้ฉันใดตันหาก็ธรรมชาติของเขาก็อาศัยอยู่ในอุปทานขันห้าอาศัยอุปทานขันห้าเป็นที่เกิดเนี่ยนะก็จะได้เพาะพันธุ์ขันห้าต่อไปอนราคะอนราคะเนี่ยนี่ก็บอกว่าแปลเป็นไทยๆว่ากาวคือมันติดหนับนะ ติดหนับยึดติดนะเขาบอกบางทีก็เรียกอะไรนะตังไะตังเ ม, ง เ, มเลยนะตังเมนี่เหนียวแค่ไหนคุณมมีเคยได้ยินลิงติดตังืนั่นแหละงติดปากก็ติดก็ติดเป้งก็ติดนเ น, น, เน า, าเนะอ่าคือเขาเอาไว้จับไอจ้จักจั่นเขาก็จะเอาไปแปะแปะแปะจักจั่นมันก็ไปเกาะเกาะเกะติดเสร็จพวกนี้ถูกขัวมมันเป็นข้าวมี อ๋อไม่แล้วแต่นั่นขนมถ้ากาวตัวนี้คือพวกกาวที่เอาติดไปไปประสานพันลักษณะของตัญหาเนี่ยน ะ, ะเวลามันติดข้องอารมณ์ใดเนี่ยนะมันติดมันเกาะในในสิ่งนั้นจริงๆเลยนะหรือนันทีอันนี้เพลินมากเยนะนันทีราแล้วก็นันทีราคะ แล้วก็เพลิดเพลินยิ่งนักนะนะมันก็จะมีบางอย่างใช่ไหมโอ้อารมนาทิปติเลยแหละวัตถุนั้นเนี่ย น, น, นะในบางวัตถุใช่ไหมถ้าเป็นระดับตันหาทั่ว ท, วทวไปก็เพลินใช่ไหมถ้าไปเจอบางอย่างเพลินยิ่งนักนะนะติดข้องจริงๆเลยตันหานั่นใดทั้งหมดนั้นก็เป็นอะไรคือกามะตันหาภาวะตันหาและก็วิภาวะตันหา นั้นตันหาพวกนี้ก็แบ่งออกเป็นสามอย่างคือการมตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาเห็นไหมก็รูปประตันหาเป็นต้นไงเห็นไ ใช่คืออันนี้เรียกว่าตัณหา3ตัณหา3ก็มีการมาตัณหาภวะตัณหาเวภาวะตัณ ห, หาเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าตัณหาเรียกตามทวารก็ได้กับเรียกตามอารมณ์ตามทวารก็คือตัณหาที่ไหลมาจากทวารตาไหลมาจากทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลดิดเพลินใน อารมณ์ถ้าตามอารมณ์ก็คือรูปปัจันหาสัตธาตันหาคันธาตันหาราตาตันหาโพธิภตันหาและธรรมะตันหาแต่ถ้าย่อๆออกมาก็คือเนี่ยลักษณะของเขาคือการตันหาภวะตันหาวิภวะตันหากามตันหาคือความเพลิดเพลินในในอะไร ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยนะันตันหาที่ชอบกามคุณห้าเรียกว่ากามตันหาเนี่ยนะของเขาขอบเขตของเขาคือชอบเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยนะ พวกนี้เป็นลักษณะของกามตันหาพวกนี้ยินดีในสีเสียงกลิ่นรสนะนคืออะไรก็ได้ที่อยู่ในโลกของกามคุณนะในโลกของวัตถุ ก, กามเนี่ยนะพวกนี้ถือว่าเป็นเป็นที่พอใจของเขาจริงๆนะเป็นที่ประทับใจของเขามากลักษณะนี้เป็นกามตันหาส่วนภวะตันหาบอกว่าตันหาที่ยินดีในแบ่งเป็นยินดีในรูปฌาน อรูปฌานอันนี้ในที่หนึ่งก็ยินดีในรูปประพบและอรูปประพบคือยินดีในพบกับยินดีในฌานในในที่หนึ่งในที่สองก็คือตัณหาที่เกิดร่วมกับสัสตตทิฐินี่นะตัณหาที่เกิดร่วมกับสัสตตทิฐิเรียกว่าภาวะตัณหา ถ้าเป็นสายสายนักบวชนะถ้าแบ่งไงนะสายนักบวชโดยมากโบราณเลยนะเป็นนักบวชสายโบราณเนี่ยจะชอบเนี่ยยินดีในรูปประชานอรูปประชานยินดีในรูปประพบอรูปประพบเนี่ย น, นะส่วนสายบุคคลทั่วๆไปก็คือถือว่า ด, ดินแดนแห่งหนึ่งที่มันเที่ยงก็คือปรารถนาดินแดนแห่ง อ ม, มาตะใช่ไหมหาสวรรค์ที่มันคือถ้าเป็นสวรรค์ในในในที่อื่นๆเขาถือว่าถ้าไปอยู่สวรรค์นั้นมั่นคงถ้าตกนโกก็ตกถาวรนะถ้าขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นถาวรนะคือถ้าเวน้นเว้นคำสอนนอกาศาสนาส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาถือว่าถ้าไปอยู่ที่ใดแล้วมันจะมั่นคงที่นั่นอยู่ที่นั่นตลอดไปลักษณะตัณหาประเภทนี้เป็นวิ เ, เป็นภาวะตัณหา แต่ถ้าพวกอุดเฉททิถิอุดเฉททิถิพวกนี้ตายแล้วศูนย์พวกนี้ถือเอาตายแล้วศูนย์เทีนี้ถ้าแบ่งอีกนหนึ่งนะสมมุติถ้เรียกว่าเราเรียกว่าเห็นคนน่ยสมมุติถ้าถ้าเราเรามาแบ่งให้มันมองให้เห็นเป็นตันหาเนี่ยนะคนที่เรามองเห็นเนี่ย บางคนเนี่ยกำหนัดในมองเห็นแล้วก็ติดในรูปบ้างติดในเสียงบ้างติดในกลิ่นติดในอะไรทั้งหลายเนี่ยนะถ้าปรารพอยู่แค่แค่มองในแค่รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพเพว่นงี้เป็นลักษณะของกามตัญหาเนี่ยนะมองเช่นสวยเพราะหอมอร่อยหรือสัมผัสดีอะไรก็ตามแต่คิดอยู่แต่ในโลกของความคิดมีอยู่เท่านี้เป็นลักษณะของ กามตัาหาแต่ถ้าเป็นพวกภาวะตันหาเป็นยังไงพวกนี้คิดว่าตายแล้วสมมติวนะ่ชีวิตของเขาเนี่ยตายแล้วเขาก็เที่ยง น, นะคี่เรียกอะไรนะทิ้งกายอันนี้ก็ไปสู่สิงไปสิงกายอันใหม่แล้วก็เป็นไปเรื่อยอย่างเนี้ยอย่างอะไรเขาบอกว่าคนคนเ น, นี้ยมันมีคนอยู่ข้างในอีกคนหนึ่งที่เรียกว่ากายอะไรอันเนี้ยกายคนแล้วก็มากายทิพย์ แล้วก็ลึกไปอีกกายพรมลึกไปอีกกายอรูปประพรมลึกขึ้นไปกกายอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะกายโสดากายสกทาคากายอนาคากายอะไรก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะพวกนี้ก็จะมีกายอยู่ข้างในซ้อนๆเข้าไปอีกพวกเนี้ยกายเหล่านี้มันเที่ยงกายมนุษย์เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมมันไม่เที่ยงแต่เขาถือว่าเอกกายที่มันอยู่ข้างในนั้น่ะ มันเที่ยงอันนี้เป็นลักษณะของสัสตทิธิเนี่ยนะพวกนี้ต่อด้วยสัสตติธิอีกพวกหนึ่งมันไม่มีอะไรซ้อนหรอกตายแล้วตายเลยตายแล้วจบเลยพวกนี้เป็นกดเชททิฐิเนี่ยนะแล้วพวกธรรมกายนี่เป็นทแไหนัีีธรรมกายรคุยคุยกับอาจารย์ไม่นิดเอาไปแล้วกัน นี่เป็นเช่นน้เนี่ยะนยะทางก า, า <concentrated no matter takiego> ทีนี้ต่อไปนะคือเราคงคือแม้กระทั่งเรียกว่าการเห็นคนปั๊บเนี่ยมันมันแล้วแต่ถ้าใครที่คิดอยู่ในแง่ของของว่ามองในแง่ความสวยความงามอะไรเฉยเฉนะพวกนี้ก็ลักษณะของกามตาหาน แต่ถ้ามองคิดไปเรื่องลักษณะลัทธิอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นลักษณะของภาวะตันหาถ้าเป็นวิภวะตันหาก็อนันไหนคืออะไรได้ที่เขาพูดว่าโอ้สวยจังแต่ทําไมโอ้ไม่น่าตายเลยนะตายแล้วก็ถือว่าจบตอนตายแล้วก็จบเลยใช่ไหมก็คือตายแล้วศูนย์เลยอย่างเงี้ยอ่าพวกนี้ก็เป็นลักษณะของวิภวะตันหา ถ้าพวกนี้ก็เป็นวิภาวะตันหาไงไอตัวความคิดที่เรียกว่าถ้าตายแล้วจบเลยนะพวกนี้เป็นวิภวะตันหามันค่าตัวตายเนี่ยมันมีสองพวกพวกหนึ่งจะไปอยู่ร่วมกับผู้เป็นใหญ่พวกนี้เขาถือว่าอย่างเช่นนักศึกษาที่ที่ค่าตัวตายอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาก็จะได้ไปหาผู้เป็นใหญ่ไปอยู่รับใช้พระองค์ท่านณที่นั้นนะที่ไหนก็ไม่รู้นะ แล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นกลุ่มภาวะตันหาถ้าพวกวิภาวะตันหาก็คือถ้าตายแล้วทุกอย่างจบหมดเลยเนี่ยนะอยากให้มัน ห, หายให้มันศูน์ไปเลยอ่ะนะพวกนี้ก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพื่ตอนฆ่าจริงๆเนี่ยเป็นโทสะไม่ใช่ตัญหาแต่ว่าตัวใดที่เป็นตัดใ จ, จแห่งการฆ่านะนะบางพวกก็เป็นภาวะตันหากับวิภาวะตันหา แต่เดิมจริงๆเนื่องจากว่ามันพร่องการ ม, มาตัญหา ต, ต้นเขาเดิมมาเลยนะคือพวกนี้มันพร่องในการ ม, มาตัญหาคือก็เลยหาทางออกแต่ว่ามันก็ตันหามันก็พลนะวนพันกันอยู่นั่นแหละก็นึกว่าตัวเองตายแล้วก็ประสบความสาเร็จใช่ไหมถ้ามีบุญเขายัางชั่วหน่อย พ อ, อตัวรับที่เนี่ยโดยมากเนี่ยมาจากสองอย่างเนี่ยมาจากภาวะตันหากับวิภาวะตันหานะถ้าสายทิฐิเนี่ยเพราวะว่าสสตากับอุเฉตแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนักบริโภคกามทั้งหลายนี่ก็เป็นกามตันหาแต่กามตันหาต่อให้เกิดภวะตันหาก็ได้วิภาวะตันหาก็ได้ เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพวกภาวะตันหาก็ขายกรรมอีกนั่นแหละเช่นว่ า, ากามมันเป็นของมนุษย์ของคุณเนี่ยพร่องคุณทําบุญนะแล้วคุณก็จะไปอยู่นะคุณมาบริจาค ก, กับฉันนะแล้วคุณก็จะไปอยู่สเสวยกามคุณที่คุณต้องการถาวร อ, อย่างเงี้ยไอ้พืกนี้ก็อาศัยกรรมมาตันหาแล้วก็ขายภวะตันหากต่อีกคนหนึ่งก็คือมาหลอกลวง น, นะพวกมาขายวิภาะวะตารหาก็คือคุณรีบใช้ให้หมดนะของของคุณเพราะว่าคุณตายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตายแล้วก็จบเลยนั้นทำยังไงที่จะให้ให้ไอ้พวกนี้มัน น, นะได้รีบใช้ได้รีบบริโภคเร็วที่สุดเท่าที่จะจะเร็วได้เพราะอีกหน่อยก็ก็ตายแล้วเขามีนะไอ้สมัยก่อนปีสองพันอยู่ระยะหนึ่ง ที่มันมีกลุ่มพวกพวกทํางานออฟฟิศอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่าปีสองพันโลกมันจะแตกทําลายมันมันจะแตกทําลายหมดเลยพวกนี้จะไม่มีการเก็บสะสมอะไรเป็นนักบริโภคนิยมชนิดที่เรียกว่าหมกมุ่นเต็มที่เลยนะเพราะว่าถือว่าปีสองพันนี้โลกมันจะแตกทําลายแล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งพวกนี้เป็นลักษณะของวิภาวะตันหา เมื่อปีสองพันแล้วก็จบเลยใช่ไหมนี่มันไม่จบสินี่มันตามมาบานเลยกันเนี่ยยุ่งเลยกันนี้